ส่วนแจ้ง 191 สํานัก ฉะบุรีเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาว ในยุคสมัยของเรื่องอำนาจอยู่ในดินแดนบางส่วนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้ได้ เมื่อแผลงอักษรดังนั้นเป็นพ ว่าแผนภูมิเหล่านั้นได้ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์ กลับมายังอาณาจักรสุโขทัยในจารึก เพชรบุรีมีความเกี่ยวข้องกับตำนานของปฐมกษัตริย์ว่าพระเจ้าอู่ทองปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยานั้นเคยครองเมืองเพชรบุรีมาก่อนแต่ข้อเท็จจริงประการหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็คือตลอดสมัยอยุธยาเป็น หรืออาณาจักรใกล้เชียงจนแทบไม่ว่างเว้นเพชรบุรีเป็นหัว สถานะ 2 คือเป็นเมืองที่มีชัยภูมิอันดีทั้งทางบก นิยามสงบเพชรบุรีมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่ช่วยดูแลหัวอังกฤษ ได้เข้ายึดครองประเทศพม่าจึงทําให้การ เพชรบุรียังคงมีชื่อปรากฏ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ร่องรอยที่เป็น ในหมู่ชาวเมืองเพชรนั่นก็คือพระ ผู้กล่าวถึงเพชรบุรีไว้ว่าเป็นที่ยังมีชีวิตทั้งนี้เพราะเพชรบุรีมีหลาย แม้ว่าความเจริญดุ่งเรืองของอนาจักษ์กรุงศีอายุธิยาได้จบลงไปแล้วกว่า 200 ปีแต่เพชบุรีนั้นยังคงสืบเนื่องงานศิลปะต่อมาย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งทุกวันนี้บนพันดินที่เก่าแก่นี้ ที่มีศิลปวัฒนธรรมงดงามอยู่มากมายหลายรูปนับตั้งแต่อดีตแห่งชาวพุทธ สืบทอดกันมาทอดกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าด้วยความศรัทธาของ พุทธเรียนในบวรพุทธศาสนาอย่างมากมายใน เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้รับความสําเร็จ หรือมีความรู้แจ้งแห่งโลกของ ยานวิลาศแดงรตตะโตอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิตตำบลไร่ส้มอำเภอ เป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวท เป็นวัดราษฎร์ที่เก่าแก่ตั้งอยู่ชานเมืองในเมตร เป็นยอดเขาที่สูงกว่าเขาหลวงเป็นวัดที่ร่มรื่นไปด้วยแนกไม้ ต่อมามี 2246 ถึง 2251 มีประวัติและนามว่าพระอาจารย์แสง เป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระเจ้า พอมาพระอาจารย์แสงได้ออกจากฤดูก สำเด็จพระเจ้าเสือทรงจนพระไทยสุดที่จะรบร้าวและอ้อนวอนต่อไปจึงทรงพระการุณาโปรดกล้าวให้บุรณะกรับรุงสำนักวิปัสสนากรรมฐานแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ทรงโปรดให้สร้างอุโบสติวิหารเจดีเสนาสนะก่ออิตถือปูลถนนทางเดิน และบันไดขึ้นเขาที่ทำด้วย และธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงามยังมีสิ่งสําคัญที่ควรชมภายในหลวงซึ่งตั้งอยู่บนลานเขาด้านทิศตะวันออกเชียงใต้มีอุโบสถ อย่างนอกจากนี้ได้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมี ที่เป็นเสน่ห์สําหรับผู้มาเยี่ยมชมวัดเขาบันไดอิดก็คือถ้ําต่าง เช่นถ้ำพระพุทธเจ้าเสือถ้ำประทุนถ้ำพระอาทิตย์ถ้ำพระจันทร์ ให้ศึกษาอย่างมากมายถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาไปตามยุคสมัยอย่างมากมายถึงแม้ว่าจะบุญส่งธรรมะปาโลท่าน และพัฒนาและเป็นพุทธสถานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ตอนรับนักท่องเที่ยวเขาบันไดอิฐเป็นรมณียสถาน เจ้าอาวาสวัดเขาบันไดองค์ปัจจุบันได้เล่าถึงประวัติของหลวงพ่อแดงให้เราฟังว่าท่านขอพรขอคุณถึงหลวงพ่อแดงเอ่อสมัยนั้นน่ะเขา ไอ้กิริยาของท่านมันตามสถานที่ต่างๆนั้นจนจนหมดภารกิจตรงนี้อ่ะถือว่าหลวงพ่อเปรียนนั้นก็ไปงานอบรมที่วัดทอง แล้วไปสุขแล้วก็เดินไปโบณมอหลวงก็เสียหลวงก็เดินนั้นเห็นหลวงก็เขียนมีเอ่อการปฏิบัติธรรมน่าเลื่อมใส แล้วก็เลยหลวงพระดอนนําพระบวชที่วัดของตระกูลท่านมาบวชเอื้อน ก็กระจ๋วนก็เปลี่ยนนั่งอยู่ที่ที่ติดปัจจุบันนี้แหละก็เลยรับหลวงพระ ว่าขันธ์ลาภได้ว่าสวดมนต์ได้ปฏิบัติจิตที่จะบวชได้ทั้งหมดแล้วบวชก็ได้ถึงได้รับความสุขหมดเพราะว่าบวชวัดนี้ดีสถานที่ดีการ บรมตาตังบรมตาตาร่วมมาถึงวัดพระอิศนี่ทําทั้งมืดเมื่อคุณก็ดอนได้อยู่วัดอิศปฏิบัติเอ่อรับบริยมธรรมภาษาไทยภาษาขาจบแล้วคุณก็ดอนถึงด้วย หลวงพ่อดอนก็ได้ปฏิบัติในท่านเรียกว่าเรียนวิปัสสนาธรรมฐาน เป็นพระที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบก็มาถึงว่าก็ท่านจะรู้ว่าใครทํากับอาจารย์โดยแท้ แต่ว่าสถานนั้นเขาตั้งตามอุโสก็ไปตั้ง ถามหลวงพ่อชิดหลวงชิดให้ดูพอดูเสร็จแล้วยินแสก็บอกว่าเนี่ยจะดิบตนเจ้าว่าเต็มที่ไหนเต็มวัดวิริทธิ์นี่เช่นเดียวกันเอ้อผมอยู่ไปเขาตามกลับมาแล้วยินแสไปคุยกับหลวงพ่อแดงยังเป็นภิกษุแดงอยู่พูดไปพูดมาก็บอกว่า ตรงนั้นกระบวดล่ามกันเพียงกับต่างกันคนล่าทิพย์ๆแล้วก็แสดงงั้นน่ะคิดว่ามันจะเป็นเจ้าว่างก็ได้อีกพอทัน โดยคณะสงฆ์ก็เลยเอาหลวงพ่อแดงนั้นมาสวด พ.ศ. 2444 บันทึกไว้ว่าไว้ว่าพระแดงเกิด 17 กันยายนพุทธศักราช 2422 ที่หมู่ที่ 3 มารดาชื่อนางนุ่มชื่อนาง 23 ปีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมพุทธศักราช 2444 เวลา 15:13 น. 13 วัดเขาบันไดอิตตำบลไร่ส้มอำเภอ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระอุปชาตได้รับฉายา จอมพรรษาอยู่ที่วัดเขาบันไดอิดได้ศึกษาวิชาการต่าง และยังมีหลวงพ่อวัดต่างๆอีกมาก 2461 ท่านอาจารย์ ได้มรณภาพซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามได้อนุเคราะห์สงเคราะห์บำรุงศรัทธา สุขสบายเป็นที่รู้จักของมหาชนทั่วประเทศดีตลอดมาและ 2477 ถึง 2480 ได้เกิดโรคระบาดสัตว์เลี้ยงขึ้นเกิดโรคระบาดสัตว์เลี้ยงขึ้นเช่นปีคําความเดือดร้อน จึงแจกจ่ายให้ชาวบ้านทําผ้ายันต์จากนั้นเหลืองแจกจ่ายให้ชาวบ้าน ซึ่งก็ได้ผลเป็น เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรนำลูกระเบิดมาทิ้งตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญหลายแห่งเช่นโรงไฟ 2487 หลวงพ่อแดงจึงได้ เอาไว้กับตัวไว้กับตัวหรือติดแม้บางครั้งนั้นน่าจะต้องเสียชีวิตติด ก็จับปลอดภัยและเป็นปกติทุก 2502 หลวงพ่อ แต่ชาวบ้านทั่วไปยังคงนิยม 2503 และ 83 ให้ท่าน แจกเป็นของเรียกกันทั่วไปว่าระลึกปัจจุบันเป็นที่นิยมและต้องการของผู้ประสงค์มีไว้บูชามาก หลวงพระแดงโดยใช้เวลานานมีสมาธิจิตแนวแน่โดยใช้มือทั้งสองข้างกรรมวิธีของพร้อมกับเพ่งกระแสจิตปลุกเสกองค์ สำหรับกับท่านใช้เวลาอธิษฐานจิตนานหลายวันประพรมน้ําเช่นสามเดือนพุทธมนต์ เพื่อให้มีจิตตานุภาพแก่กล้ามีพลานุภาพมีเรื่องมาจากประสบการณ์พุทธคุณเพราะท่านเป็นผู้รอบรู้ยิ่งจึงคุยได้เกือบจะทุกเรื่อง หลวงพ่อแดงมีเมตตาสูงอารมณ์ดีวิสัยเป็นพระใจดีมีเมตตา การด่าทําให้ 16 มกราคมพุทธศักราช 2517 ตรงกับ 8 ค่ําเดือน 2 เวลา 21:05 น. น. หลวงพ่อแดงมรณภาพด้วย สิริ 96 ปีพรรษาที่ 74 หลวงพ่อแดงท่านเคยพูด แล้วเอาเหรียญใส่ฝากมาทาตัวฉันให้เหลือง 1 แลเหรียญฉันจะ กับหลวงพ่อแดงว่าจะจัดการให้ตาม คนมรณภาพทุกอย่างร่างของหลวงพ่อแดงได้ ผู้มีอัศจรรย์ภาพทางด้านต่างๆไม่ว่าความรอบรู้ความ 30 ปีแต่ชื่อเสียงกิตติศัพท์เกียรติคุณความและ กิริยาคุณกิริยาคมที่มีอยู่ในวัตถุ 2503 ขณะ 82 ปีทางวัดเขา ตามความต้องการของมหาชนความต้องการของๆเช่นเหรียญรูปต่างๆหรือพระเครื่องเนื้อชินตลอดถึง แม้เมื่อวันที่ 16 มกราคมพุทธศักราช 2417 ถึงบัตรนี้เป็นเวลาบัดนี้ 30 ปีความและเชื่อมั่นในกิติยาคมเลื่อมใสศรัทธาอภินิหารและอาคมๆก็ จึงมีประชาชนจากทั่วสลทิศมาเยี่ยม คำปรารภเวลาประมาณหลวงพ่อแดงก่อน น. ของวันที่ 16 มกราคม 2517 หลวงพ่อเรียกหา หลวงพ่อแดงปรารภว่าฝากแล้วก็บอกด้วยว่าด้วยนะฝาก หลวงพ่อแดงแล้วพูดว่าเอามือคลําของของท่านใน ให้เอาศพตายแล้วไม่เผาหรือไว้ท่านไม่ได้ตายเพียงแต่หมดลมหายใจเท่านั้นเองศพมน จัดการศพโดยใช้ขมิ้นทาตัวให้ ยงพ่อแดงสอนให้ทำความดีซื่อสัตย์ ความดีดีความเราก็ถือปฏิบัติสื่อต่อมานำมาซึ่งทุกอย่างเราก็ถือ ได้แก่เหรียญปั๊มธง 2.6 ซม. สูง 3.4 ซม. ด้านหน้าเป็นรูปหลวง 2503 อายุ 82 ปีด้าน และชื่อของท่านว่าชื่อของท่านว่าพระครูยานวิลาศแจงด้านหลังตามขอบเหรียญเป็น อุทธังมิณเอหิมาเลหินะโมพุทธายะมะอะอุเมมะอะอุและอ่านว่าขอมที่ลงเมมะอะอุจำนวน 15000 เหรียญแต่ยังทําพิเศษเป็นเนื้อเงิน 83 เหรียญซึ่งเท่ากับอายุของท่าน และคณะทีมงานจะได้นําเสนอท่านในลําดับ ให้ท่านสวัสดี